สเสด็จนิเวศเวรัญชพรายี่สิบต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอา น, นุ์มารับสั่งว่าอา น, นุ์ตถาคตทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จําพรรษาจะไม่จากไปเรื่องนี้เป็นประเพณีของพระตถาคตทั้งหลายเราจะไปลาเวรัญชพราำพระ น, นุนตุน สนองพระพุทธดำรัสแล้วครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตราวาสุถือบาทและจีวรมีพระนนตามเสด็จเสด็จพระพุทธดำเนินไปถึงนิเวศของเวรัญชพรำครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอสนะที่เขาจัดถวายทรงบอกเวรัญชพรำผู้มาเฝ้าว่าท่านนิมนต์เราอยู่จพาพรรษาเราขอลาท่าน ต้องการจะจาริดไปในชนบทเวรนญจพรามกลาบทูลว่าเป็นความจริงข้าพระพุทธเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมอยู่จำพรรษาแต่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ถวายธยธรรมที่ได้ตั้งใจเอาไวา้สิ่งนั้นไม่ใช่จะไม่มีและไม่ใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่เต็มใจถวายใตรามาที่ผ่านมาพระองค์ ยังไม่ได้รับทัยธรรมนั้นเพราะผู้ครองเรือนมีกิจมากมีธุระมากขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงรับอาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาคทรงชี้แจงให้เวรัญชพรามเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาารรพ้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเมื่อผ่านราตีนั้นไปเวรัญเจพรามสั่งให้เตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตไว้ในบ้านแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมถึงเวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้ว23ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค ทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังนิเวศของเวรัญชพรามประทับนั่งเหนือพระพุทธอาจพร้อมภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วเวรัญชพรามประเคนของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยตัวเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วละพระหัตจากบาทจึงทูลถวายไตรจีวรให้ทรงครองและถวายผ้าคู่ให้ภิกษุ ครองรูปละสำรับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เวรัญจพราเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้ใจให้อาหารแกล่าแกล้าปลอบชฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทรมีกถาแล้วเสด็จจากไปพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะเมืองเวรัญชาตามพระอัจยาศัสายแล้วได้เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะ ไม่ทรงแวะเมืองโสุรยะเมืองสังกัตสะเมืองกนากุตชะทรงข้าแม่น้ำคงคาที่เมืองท่าปยาคะเสด็จพระพุทธดำเนินถึงกรุงพระนาศีครั้นประทับที่กรุงพระนาศีตามพระอัทยาศัยแล้วเสด็จจริตไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระองประทับอยู่ณนะกูตาคาราสาลาป่ามหาวันเขต กรุงเวสาลีนั้นเวรัญชภานวานจบ